มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการตัดทบตัดชาติให้มีจํานวนน้อยลงไปตัดพบตัดชาติที่ไม่ดีให้หมดไปก่อนด้วยการทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธาความเชื่อ ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ที่ได้ตัดพบตัดชาติจนหมดสิ้นไปแล้วแล้วได้นำเอาวิธีการตัดพบตัดชาติที่ท่านได้ทรงใช้กันมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเรากันต่อเพื่อที่พวกเรา จะได้มีโอกาสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองเพราะว่าเวลาเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพลากจากสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราชอบจากบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราชอบถ้าเราไม่กลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องไม่เราก็จะได้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลาพจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆถ้าพวกเรามีศรัท ธ, ธาความเชื่อแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะมีพบชาติน้อยลงไปและหมดไปในที่สุดสิ่งที่เราต้องตัดต้องทำลายก็คือเชื้อของพบชาติหรือต้นเหตุของพบชาติหรือรากของพบชาตินี่เองพบชาตินี้ถ้าเปียกเป็นเหมือนต้นไม้ถ้าเราตัดแต่กิ่งตัดแต่ใบ ต้นไม้จะไม่ตายแต่ถ้าเราถอนรากของต้นไม้ขึ้นมาจากดินได้ต้นไม้นั้นก็จะต้องตายไปไม่สามารถที่จะงอกงามขึ้นมาใหม่ได้ร่างเงาของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองทุกครั้งที่เรามีความโลภ แล้วเราทําตามความโลภก็เท่ากับการต่ออายุต่อพบต่อชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับทุกครั้งที่เราโลภเราโกรธเราทําตามความโลภทําตามความโกรธภพชาติของเราก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าทุกครั้งที่เราโลภเราโกรธเราห ล, ลงแล้วเราไม่ทําตามความโลภความโกรธความหลง พบชาติก็จะลดน้อยลงไปเพราะพุทธเจ้าจึงทรงสอนวิธีลากความโลภด้วยการทำทานทำอย่างไรถึงเรียกว่าลากความโลภและทำทานไปในพร้อมกันก็คือเวลาที่เราโลภอยากได้อะไรที่ไม่จำเป็นเช่นอยากได้เสื้อผ้าชุดใหม่ อยากได้รองเท้าคู่ใหม่อยากได้กระเป๋าใบใหม่หรืออยากได้เครื่องโทรส์มือถือเครื่องใหม่ทั้งๆ ท, ที่ของเก่าก็ยังใช้ได้ดีอยู่เราก็เอาเงินที่เราจะไปซื้อของที่เราโลภอยากได้นี้มาทำบุญแทนมาซื้อกับข้าวกับปลาอาหารซื้อของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ แล้วก็เอามาให้กับพระภิกษุสามเณรหรือเราจะให้คนอื่นก็ได้ให้พ่อให้แม่ก็ได้ทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่เราก็เอาเงินนี้มาให้พ่อให้แม่อย่างนี้เราก็จะตัดความโลภจากการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกครั้งต่อไปความอยาก ความโลภอยากได้สิ่งที่ไม่จําเป็นก็จะหมดไปถ้าเราจะซื้อเราก็ซื้อสิ่งที่จําเป็นเช่นสมมุติว่าเสื้อผ้าเก่ามันขาดหมดแล้วใส่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องซื้อใหม่รองเท้าคู่เก่าใส่จนขาดแล้วไม่สามารถที่จะใช้การได้อีกแล้วเราก็ซื้อคู่ใหม่แต่ซื้อเท่าที่จําเป็น ไม่ใช่ซื้อทีก็ซื้อสิบคู่เลยซื้อเพียงคู่เดียวก็พอเพราะเรามีเท้าอยู่คู่เดียวเวลาเราใส่รองเท้าเราไม่ได้ใส่ทีละสิคู่เราใส่ทีละคู่ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะตัดความโลภเราก็ต้องใช้เหตุผลเหตุผลก็คือความจำเป็น ถ้าจำเป็นต้องซื้อก็ซื้อได้ไม่ไม่ถือว่าเป็นความโลภแต่ถ้าไม่จำเป็นเราซื้อมานี้จะถือว่าเป็นความโลภแล้วมันก็จะต่ออายุของภพชาติให้ยาวออกไปเพราะอะไรเพราะเมื่อเราทำตามความโลภแล้วเราก็จะมีความโลภเพิ่มขึ้นมากอีกพอกเราซื้อรองเท้าคู่นี้แล้วเดี๋ยวเราเดินไปอีกหน่อยเห็นกระเป๋า ใบใหม่เราก็อยากจะซื้อเราก็ซื้อใหม่พอซื้อกระเป๋าเสร็จเห็นเสื้อผ้าสวยชุดใหม่แขวนอยู่ในร้านก็อยากจะซื้อเราก็จะซื้อมันไปเรื่อยๆพอซื้อแล้วแทนที่ความอยากจะหมดมันกลับไม่หมดมันกลับอยากเพิ่มมากขึ้นไปพอพรุ่งนี้ก็อยากจะออกไปซื้อเนะสิ่งนั้นสิ่งนี้อีก ถ้ามีเงินก็จะต้องซื้อมันไปเรื่อยๆจนกว่าเงินจะหมดเท่านั้นถึงจะหยุดซื้อได้แต่พอเงินจะหมดก็ไปหางานหาทำหาเงินมาใหม่อีก ช, ชีวิตก็ต้องเหนื่อยยากกับการหาเงินหาทองแล้วพอได้เงินได้ทองมาก็เอาไปซื้อของตามความโลภความโลภ ก, ก็จะไม่มีวันหมดไปจากใจ แล้วก็อาจจะทำให้ไปทำบาปคือเวลาอยากจะได้อะไรแล้วไม่มีเงินซื้อก็อาจจะไปลักขโมยของที่เราอยากได้หรือไม่เช่นนั้นก็ไปลักทรัพย์เพื่อที่จะเอาทรัพย์นี้มาซื้อของที่เราอยากได้ใหม่พอเราไปทำบาป เราก็จะสร้างพบชาติที่ไม่ดีให้กับเราก็คือพบในอบายเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรก <c oughs> เพราะการกระทำบาปแต่ถ้าเราไม่ทำบาปเรารักษาศีลถึงแม้ว่าเราอยากจะได้อะไร ถ้าเรายังไม่มีเงินพอที่จะซื้อเราก็อดใจเอาไว้ก่อนไปทํางานทําการเก็บเงินเก็บทองให้ได้พอกับของที่เราต้องการก่อนพอเราได้เงินแล้วเราก็ค่อยไปซื้อมาอย่างนี้อย่างน้อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปแต่อย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้พบชาติ ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาคือถ้าเราไม่ทำบาปได้เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดลชานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกนี่คือการรักษาศีลเพื่อต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เราต้องไปเกิดในอบายถ้าเรายังต้องเกิดอยู่ ก็ขอให้เราเกิดในสุขคติกันเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆอย่างน้อยการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนกับการที่ไปเกิดในอบายการเป็นเดรัจฉานี่ทุกข์ทรมาน ลำบากมากกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเพราะว่าเตราชาานนี้เขาไม่มีศีลเขาจะฆ่ากันเองเวลาเขาอยากจะกินอะไรอยากจะได้อะไรเขาจะกัดกันกินกันเองเช่นดูสุนัขเป็นตัวอย่างเวลาสุนัขแย่งอาหารมันจะกัดกันเวลาสุนัขแย่ง การเสบกามมันก็จะกัดกันเพราะว่ามันไม่มีความรู้ว่าการกัดกันนี้ไม่ดีกัดแล้วทำให้เกิดความเสียหายทำลายชีวิตได้แต่ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้เราก็จะปลอดภัยจากการกัดกันฆ่ากันเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่นี้ จะมีจิตสํานึกรู้คุณรู้โทษรู้บุญรู้บาครู้ว่าการฆ่ากันนี้ไม่ดีการกัดกันนี้ไม่ดีก็จะไม่ไปฆ่ากันยกเว้นพวกที่มีจิตใจต่ำทรามพวกที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานพวกนี้เขาก็จะฆ่าผู้อื่นถ้าเขาอยากได้อะไร เขาไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่ไม่ต้องทำบาปเขาก็จะต้องทำบาปซึ่งมีส่วนน้อยพวกนี้แหละเป็นพวกที่เพิ่งกลับมาจากอบายแต่ยังติดนิสัยสันดานของเดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรกอยู่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ใจนี่ยังมีเชื้อของเปรต เชื่อของเดรัจฉานเชื่อของนรกอยู่ถ้าไม่มีศีลธรรมมาคอยหักห้ามเดี๋ยวเขาก็จะต้องไปทาตามนิสัยเดิมคือทำเป็นเดรัจฉานบ้างทำแบบเดรัจฉานบ้างแบบเปรตบ้างแบบสัตว์นรกบ้างแต่ถ้าเขาได้มาเกิดในครอบครัวที่ดีที่มีศีลมีธรรม เขาก็จะได้รับการอบรมสั่งสอนว่ากล่าวตัดเตือนหักข้ามไม่ให้ไปทำบาปเช่นไม่ให้ไปฆ่าผู้อื่นไม่ให้ไปลักทรัพย์ไม่ให้ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ให้พูดปดโกหกหลอกลวงไม่ให้เสพสุรายาเมาถ้าเขาได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วเขาเชื่อเขาก็จะสามารถ เปลี่ยนนิสัยสันดานเดิมของเขาได้จากการเป็นเปรตจากการเป็นเดรัจฉานจากการเป็นสัตว์นรกมาเป็นมนุษย์ได้แล้วถ้าเขาได้รับการสั่งสอนให้ทาบุญให้ทาบุญทาทานเขาก็จะเกิดไปเป็นเทพได้ไปเกิดเป็นเทพได้แล้วถ้าเขาได้รับการสั่งสอน ให้นั่งสมาธิได้ให้รู้จักไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทําใจให้สงบเขาก็จะไปเกิดเป็นพรหมได้แล้วถ้าเขาได้พบกับพระพุทธศาสนาที่สอนให้มองความจริงศึกษาความจริงสอนให้เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้แน่นอนที่ถาวรของทุกอย่างในโลกนี้ มีวันที่จะต้องเสื่อมหมดไปถ้าอยากให้ของต่างๆไม่เสื่อมไม่หมดไปก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเพราะว่าของทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีใครไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการได้ไม่มีใครสั่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมได้ให้อยู่กับเราไปตลอดได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนไป เช่นลูกเราเขาเกิดมาใหม่ๆเขาก็เป็นทารกต่อมาเขาก็โตเป็นเด็กต่อมาเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องโตไปได้เรื่อยแล้วเขาเคยอยู่กับเราเขาก็จะจากเราไปเพราะเขาจะต้องไปมีครอบครัวของเขาแล้วต่อไปเราก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุด เราก็ต้องจากเขาไปถ้าเรามีความอยากไม่จากเขาไปเราก็จะมีความทุกข์ใจที่เรามีความอยากไม่จากเขาไปก็เพราะว่าเราไม่มองความจริงกันเราไม่ยอมคิดถึงความจริงกันเราไม่ยอมคิดถึงเวลาที่เราจะต้องมีการจากกันนั่นเอง <bidding> ถึงเวลาจากกันเราจึงต้องร้องหหมร้องไห้ เศ้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราพิจารณาให้คิดอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เรามีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาลวงพ้นการพัดพลาดจากกันไปไม่ได้ถ้าเราคอยสอนใจคิดอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะน้อมรับความจริงเตรียมตัวเตรียมใจรับกับการแก่รับกับการเจ็บไข้ได้ป่วย รับกับการตายรับกับการพลาดพลาดจากกันพอใจรับกับความจริงเหล่านี้ได้แล้วเวลาเกิดความจริงนี้ขึ้นมาใจจะไม่ทุกข์จะไม่เสียใจจะไม่ร้องห่งร้องไห้นี่คือการที่จะทำให้ใจนี้ดับความทุกข์ดับความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวรถ้าใจตัดความอยากต่างๆได้ใจก็จะขยับขึ้นไปตามขั้นของพราะอราิยะเจ้าขั้นต่างๆขึ้นจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองไปสู่ขั้นที่สามและไปถึงขั้นที่สี่พอถึงขั้นที่สี่ก็ จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปตัดภพตัดชาติได้หมดเลยนี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ตัดภพตัดชาติแล้วนาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราให้ปฏิบัติตามกันถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องกลับมาแก่ไม่ต้องกลับมาเจ็บไม่ต้องกลับมาตายไม่ต้องกลับมาพัดผ้าจากกันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตของพวกเราต่อจิตใจของพวกเราตอนนี้พวกเราถึงแม้ว่าจะมีฐานะดีขนาดไหนมีเงินทองมากน้อยขนาดไหนก็ตาม แต่ใจของเราก็ยังต้องทุกข์กับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายอยู่เพราะว่าเงินทองนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้นอกจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เท่านั้นคือต้องคอยทําบุญอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินทอง ไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นไปกับของฟุ่มเฟือยทั้งหลายไปกับของหรูหราทั้งหลายก็ให้เอาเงินทองนี้มาซื้อของให้คนอื่นไปหรือเอาเงินทองนี้ไปแบ่งให้คนอื่นเขา้ขาได้ใช้บ้างคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเ mm. ช่นคนพิการคนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วย คนยากคนจนเราแทนที่จะเอาเงินทองไปซื้อของที่ไม่จําเป็นที่ไม่ได้เพิ่มความสุขให้กับเราหรือดับความทุกข์ทางร่างกายของเราลงไปเลยสู้เราเอาเงินนี้มาช่วยเหลือคนอื่นดีกว่าเพราะจะทาให้ละใจของเรามีความสุขแล้วก็จะทำให้ความโลภน้อยลงไป ความโลภน้อยลงไปความโกรธก็จะน้อยลงไปเพราะความโลภความโกรธนี้เกิดจากความโลภนี้เองเวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็จะโกรธคนที่เขาไม่ทำตามความโลภทำตามความอยากของเราเช่นเราอยากให้คนนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำตามที่เราอยาก เราก็จะโกรธเขาทันทีแต่ถ้าเราไม่มีความโลภอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีความโกรธความโกรธนี้ไม่ดีเพราะมันจะทำให้เราต้องไปทาบาปทำให้เราต้องไปสร้างเวทสร้างกรรมถ้าเรายังไม่สามารถละความโลภได้ยังไม่สามารถหยุดความโกรธให้เกิดขึ้นได้ อย่างน้อยเวลาโกรธแล้วเราก็อย่าทำตามความโกรธเช่นเวลาเราโกรธใครเลิก อ, อยากจะด่าเขาก็อย่าไปด่าเขาถ้าอยากจะไปทาร้ายเขาก็อย่าไปทาร้ายเขาถ้าอยากจะทำร้ายตัวเองก็อย่าทำร้ายตัวเองเพราะไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะทำให้เกิดกรรมเกิดเวรตามมาถ้าเราไปด่าเขาไปทำร้ายเขา เขาก็จะต้องกลับมาด่าเรามาทำร้ายเราแต่ถ้าเราไม่ไปทำร้ายไม่ไปกล่าวร้ายเราหักห้ามจิตใจด้วยการแผ่เมตตาด้วยการให้อภัยไม่จองเวรคิดเสียว่าเป็นการใช้กรรมก็แล้วกันส่วนหนึ่งของการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือการมาใช้กรรมนี้เองการมารับบุญด้วยรับกรรมด้วย และการมาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่ด้วยเนี่ยดังนั้นถ้าเราต้องไปเจออะไรที่ทำให้เราโกรธเราอย่าไปต่อกอนอย่าไปมีเรื่องมีราวกับคนที่เขาทำให้เราโกรธเราควรจะเดิน <c oughs> หนีไปเดินไปเพื่อละ ง, งับความโกรธ ถ, ถ้าเราอยู่ใกล้เดี๋ยวความโกรธมันจะเพิ่มแรงมากขึ้น เวลาเห็นหน้าคนที่เขาทําให้เราโกรธเวลาเห็นกิริยาการที่เขาทําให้เราโกรธเราก็จะโกรธมากขึ้นไปจนเราอาจจะไม่สามารถยับยั้งความโกรธได้พอเราไปดา่าเขาไปว่าเขาไปทุบตีเขาเขาก็จะกลับมาดา่ามาว่าเรามาทุบตีเราแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องฆ่ากัน ฆ่ากันแล้วเราก็ต้องไปติดคุกติดตารางต้องคอยหลบคอยซ่อนแล้วเวลาพกหน้าเกิดมาเจอกันใหม่ก็จะมาจองเวรจองกรรมกันใหม่แต่ถ้าเราบีสติสามารถแผ่เมตตาได้ให้อภัยได้สัพเพสัตตาอเวลาโหนตุได้เราก็จะ ไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมแล้วก็ไม่ต้องไปรับผลเวรผลกรรมที่จะตามมาต่อไปแต่ถ้าเราละความโลภได้เราก็จะไม่มีปัญหากับความโกรธการจะละความโลภนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้หลักมักน้อยสันโดษคือความโลภนี้แปลว่าความมากมากนั่นเอง วิธีที่จะต้านความมากมากก็คือใช้ความมักน้อยแทนที่อยากจะได้มากๆก็เอาน้อยน้อยเอาเท่าที่จําเป็นเช่นเอารองเท้าเพียงหนึ่งคู่ก็พอไม่ต้องมีมากไปกว่านั้นมีเสื้อผ้าสักสองสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักอีกชุดหนึ่งไว้สำรองไว้เวลาที่ซักแล้วไม่แห้ง เราก็เอาชุดสำรองมาใส่เท่านี้ก็พอแล้วคนเรามีเสื้อผ้าเพียงสามชุดก็พอถ้าเราอยากจะมักน้อยเราต้องทำอย่างนี้หรือถ้าเราได้น้อยกว่านี้เราก็ต้องใช้สันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าเราต้องมีสามชุดแต่ถ้าเรามีเพียงสองชุดก็อยู่กับมันไป อยู่กับสองชุดไปอย่าไปโลภอยากได้เพราะความโลภอยากได้จะทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะหามาได้โดยวิธีสุดเจริญดังนั้นเราต้องฝึกใช้ความมาักน้อยสันโดษในทุกสิ่งทุกอย่างเช่นในการบริโภคปัจจัยสีเสื้อผ้าก็เอาน้อย เอาเท่าที่จำเป็นเอาตามมีตามเกิดอาหารก็เช่นเดียวกันกินน้อยๆกินเท่าที่จำเป็นหรือกินตามมีตามเกิดการมีร่างกายที่ผอมนี่ดีกว่าการมีร่างกายอ้วนเพราะร่างกายผอมนี้จะไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกับคนที่มีร่างกายอ้วนอายุของคนอ้วนนี้มักจะสั้นกว่าคนผอม ถ้าเราอยากจะมีอายุยืนยาวนานเราต้องระมัดระวังเรื่องการบริโภคอาหารรับประทานพอประมาณพอรู้สึกอิ่มแล้วก็หยุดอย่า ก, กินตามรสตามชาติเห็นอะไรอ ร, อร่อยอร่อยก็กินอย่างไม่ยอมหยุดทั้งๆ ท, ที่ร่างกายบอกว่าพอแล้วอิ่มแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปถอดเข็มขัดออก เพื่อที่นท้องมันจะได้ไม่แน่นเพื่อที่จะได้กินเพิ่มขึ้นไปอีกวิธีกินแบบนี้เรียกว่ากินด้วยขวางโลกกินเพื่อสร้างภพสร้างชาติไม่ได้กินเพื่อตัดภพตัดชาติถ้าอยากจะตัดภพตัดชาตินี้ต้องกินพอประมาณพอเริ่มรู้สึกอิ่ ม, มก็ให้หยุดแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปสักแก้วสองแก้วแล้วก็จะไม่อยากจะรับประทานอาหาร ต่อไปร่างกายเราจะมีหุ่นสวยงามไม่เป็นเหมือนตุ่มแล้วเราก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนการที่มีเรามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีร่างกายหุ่นเหมือนตุ่มน้ำก็เพราะว่าเรากินไม่หยุดไม่หย่อนกินไม่รู้จักประมาณกินตามใจชอบอะไรก็กินอยากจะกินอะไรก็กินไม่คิดถึงเวลามเวลา ปกตินี้เรามีเวลารับประทานอาหารกันวันละครั้งก็ได้สองครั้งก็ได้หรือสามครั้งก็ได้แต่นี่รับประทานสามครั้งแล้วยังไม่พอระหว่างมื้อก็ยังมีอนู่นไอ้นี่กินอยู่ตลอดเวลาเพราะใจมีความโลภอยู่นั่นเองถ้าเราไม่หยุดความโลภเหล่านี้เราก็จะต้องกินไปจนถึงวันตาย แล้วจะตายก่อนเวลาที่ควรตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มากินใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นแต่ถ้าเรากินตามความจำเป็นเราจะไม่มีความโลภความโลภจะน้อยลงไปและการจะกลับมาเกิดนี้ก็จะน้อยลงไปแล้วก็จะหมดไปได้ในที่สุดดังนั้นขอให้พวกเรา มาตัดภบตัดชาติกันด้วยการมาลดความโลภความโกรธความหลงกันด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากันก็คือทำทานเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นนี้เอาไปทำทานแล้วเวลาที่อยากจะได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของด้วยวิธีการทำบาปเราก็ต้อง ใช้ศีลมาระงับไว้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราจะไม่ต้องไปทำบาปเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้าเรามาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาได้เราก็จะทำลายความอยากความโลภให้หมดไปจากใจของเราได้เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สรรพโลกทั้งหลายผู้ใดที่สามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาได้พวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราน้อมนาเอาไปปฏิบัติได้ สักวันหนึ่งเราก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ที่การกระทาของเราไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระธรรมคำสอนไม่ได้อยู่ที่พระสงค์อยู่ที่เราที่จะต้องศึกษาคำสอนแล้วปฏิบัติตามคำสอนเท่านั้นถ้าเราศึกษาและปฏิบัติตามได้เราก็จะได้ผลอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อการตัดภพตัดชาติให้หมดไปนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ